แต่ก็จริงนะคนที่ทําสตังหายเนี่ยโอ้โหมันโดยเฉพาะสตังคนอื่นที่ก็ฝากไว้กับตัวใช่ไหมแล้วไปทําของเขาหายแล้วก็เขาฝากมาเนี่ยนะโอ้ยทุกขณะทุกมากเลยแหละทุกมากเลยพานธ์ก็คิดสรุปย้อนกลับมาว่าพิจารณาอย่างไรจรึงไม่มีอาสะวะสี่ในขันห้าขันเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกา ม, มาสะวะพะวาสะวะทิฏฐสะวะและอวิชชาสะวะเห็นยังไงจรึงไม่มีอาสะวะสี่ ฟังยังไงโดยที่ไม่ถูกอาสวะสีเนี่ยนะคือไออาสวะบางทีก็แปลว่าความอะไรหมักมมเนความหมักหมมความหมักดองเนี่ยนะเห็นยังไงชื่อว่าใจไม่ถูกดองอ่ะฟังยังไงใจไม่ถูกดองเนี่ยนะได้ยินยังไงใจจงึงไม่ถูกดองทานอาหารยังไงใจจึงไม่ถูกดองคิดยังไงจึงไม่ถูกดองนะนนั้นแ ห, ห, หละคืว่าไม่มีอาสวะเขาเรียกว่าหมักดองไงว่าเอาไว้ในจิตด้วยกโกลพาบั้ง อาทิฐิอวิชาบ้างหรืออย่างไรจึงจะไม่ถือมั่นถือมั่นเนี่ยเขาว่าถือมาหวานยงก็มาถามว่าเออพระอรหันต์ท่านไม่ถือมั่นแล้วไม่ใช่หรือ้ถือมั่นนี่มแปลว่าอะไรถือมั่นยึดถือนี่เป็นอะไรอ้าวบอกว่าพระอรหันต์ท่านก็ไม่ยึดถือสุกยึดถือทุกไม่ยึดถือแล้วพระอรหันต์ก็เลยอยู่กับทุกใช่วยไหมไม่ต้องไปสนใจมันจะเจ็บมันจะปวดมันจะดีใจมันจะเสียใจมันจะทุกข์มันจะสุกก็ช่างเผือกมันอะอย่างงี้ไหม ไม่เขาไม่คิดอย่างงานหลอกไอ้คาว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ยึดว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาเดียวสูตรข้างหน้าจูลตันหาสังขยะสูตรจะเอาเรื่องนี้มาคุยก็เรียกว่าไม่ถือมั่นเนี่ยไม่ถืออย่างไรไม่ใช่แม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยนะปล่อยปล่อยเรียว่ามีสองคำนะปล่อยประละเลยกับปล่อยวางเนี่ยนะเรียว่าไม่ถือมั่นกับตัวเองถือจนไม่รู้ว่าตัวเองจะถืออย่างไรอีกแล้วเนี่ยนะ ทีนี้เครื่องวัดเครื่องวัดของคุณที่เป็นพระอรหันเนี่ยนะหน้าแปดบ้าบรรทัดที่สองที่สมเป็นต้นว่าภิกษุที่พ้นจากอาสวะเนี่ยนะพ้นด้วยอรหัตธรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยนะอคิเวสณนะพระอรหันเหล่านั้นอนะประกอบด้วยคุณที่เลิศไม่มีคุณธรรมอื่นยิ่งไปกว่าอยู่3าประการด้วยกันคุณธรรมของพระอรหันเนี่ยนะใหญ่ๆที่เรียกว่าเอาอย่างอื่นมาเปรียบเทียบไม่ได้สามอย่างคืออะไรบ้างหนึ่ง ญานะเครื่องเห็นเนี่ยนะคือสัมมาทิฏฐิหรืออรหัตตะมัคคสัมมาทิฏฐิอรหัตตผลสัมมาทิฐิอันเลิศไม่มีปัญญาอย่างอื่นที่จะยิ่งไปกว่าอย่างที่สองความปฏิบัติอันเลิศไม่มีความปฏิบัติอื่นจะยิ่งไปกว่า 3. ความพ้น ard, อันเลิศเคำว่าหลุดพ้นอันเลิศไม่มีการหลุดพ้นอย่างเลิศเหล่าใดจะยิ่งไปกว่านะ คำว่าสามคำเนี่ยนะคืออะไรยาณะอันเลิศความปฏิบัติอันเลิศแล้วก็ความหลดพ้นอันเลิศในหน้าหนึ่งร้อยสี่ย่อหน้าล่างบทว่าทัศนนุตรยังปัญญาที่เป็นโลกิยะโลกุตระปฏิปทานุตรยังข้อปฏิบัติที่เป็นโลกิยะโลกุตระวิมุตตนุตรยังโลกุตระวิมุต อีกอย่างหนึ่งบทว่าทัศนานุตรยังคือสัมมาทิฏฐิอันเป็นอรหัตมรรคเพราะมุ่งถึงโลกุตรธรรมล้วนบทว่าปฏิปทานุตรยังคือองค์มรรคที่เหลือบทว่าวิมุตตานุตรยังคือวิมุติอันเป็นมรรคผลพันธการเห็นพระนิพพานของพระขี่นาศพชื่อว่าทัศนานุตรยะใช่ไหมยานเครื่องเห็นอันเลศไม่มีเครื่องเห็นจะยิ่งกว่าเห็นอะไรเห็นนิพพานเนี่ยนะจึงการเห็นนิพพานเนะนะี่ยจึงชื่อว่าเป็นการเห็นระดับเลิศ เป็นการเห็นที่สูงสุดเนี่ยนะส่วนองค์มรรคแปดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดนี่แหละชื่อว่าปฏิปทาอันเลิศข้อปฏิบัติอันเลิศที่ไม่มีข้อปฏิบัติเหล่าใดจะยิ่งไปกว่าเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุพระนิพพานส่วนอริยมรรคอริยผลนั่นแหละชื่อว่าความพ้นหรือวิมุตตอันเลิศไม่มีวิมุตต์อื่นจะยิ่งไปกว่าทีนี้เมื่อเป็นพธาตุหันไปเลยเนี่ยแล้วทําไงก็ดี เมื่อเป็นผ้าอรหันต์แล้วเนี่ยเป็นยังไงหน้าแปดสิบห้าจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นเธอจึงสักการะเคารพนับถือตถาคต ด, ด้วยศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างยิ่งว่าเ็าเลื่อมใสจริงๆในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าในบรรดาผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผ้าอรหันต์เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่สุดผ้าอรหันต์เลื่อมใสยอยู่ห้าข้อด้วยกันตรงนี้ นึ่งเลื่อมใสในพระพระพุทธเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้ด like so ้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ยังกรุณาแสดงธรรมเพื่อสอนผู้อื่นให้รู้ตามอันนะก็คือพุทโธโพเทยังอันนะคือพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยโพธายะนะตรงนี้ใช่ว่าโพธายะพุทโธโพธายะเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ยังแสดงธรรมเพื่อให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม ตรัสรู้คำว่าตรัสรู้คืออะไรรู้โพธพุทธพุทโธเนี่ยนะพุทโธคือทำกิจกําหนดรู้ทำกิจละทำกิจทําให้แจ้งและเจริญเนี่ยนะกิจ4ประการนั่นแหละเรียกว่าพุทธตรัสรู้เนี่ยนะทรงรู้คือรู้รู้ทุกด้วยการกําหนดรู้รู้สมุทัยด้วยการละรู้นิโรธด้วยการทําให้แจ้งรู้อริยมรดด้วยการเจริญพระองค์ก็ยังแสดงทําประกาศธรรมเพื่อให้คนอื่นทํากิจเหล่านี้ตามเพราะพระอรหันต์ทำกิจเหล่านี้ตามสำเร็จแล้วใช่ไหม เข้าใจคุณตรงนี้อย่างชัดเจนทันโต น, นะทันโตถมาถายะพระองค์ฝึกทันโตเนี่ยตรงนั้นฝึกทรมานนี่ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าแม้จั บ, จ, บจับไปขูดไปรีดอะไรไม่มาจากคำว่าทันตะแล้วว่าฝึกทรงฝึกพระองค์ก่อนเสร็จแล้วพระองค์ก็สแสดงทำเพื่อการฝึกให้แก่ผู้อื่นหรือพระองค์ฝึกตัวพระองค์เองเสร็จแล้วจึงบอกวิธีฝึกให้แก่คนอื่นสาม สันโตพระองค์สงบกองกิเลสทั้งปวงได้แล้วพระองค์ก็สอนให้ผู้อื่นสงบกิเลสทั้งปวงได้สันโตเนี่ยนะพระองค์ถึงความสงบสงบจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยสอนทำเพื่อให้ผู้อื่นสงบระงับดับกองกิเลสกองทุกทั้งปวงได้ เตนโนทรงข้ามเต น, นะแปลว่าข้ามเนี่ยนะพระองค์ข้ามห่วงกิเลสได้แล้วพระองค์ก็แสดงทำเพื่อให้ผู้อื่นข้ามห่วงกิเลสข้ามห่วงวะตะไปได้เรียกว่าตรนัยะเนี่ยนะสอนให้ผู้อื่นข้ามจากกามโมคะเป็นต้นไปได้สุดท้าย5ปรินิพุโตพระองค์ทรงดับเพลิงกิเลสเพลิงราคะโทสะโมหะพระองค์ก็แสดงทำเพื่อสอนให้ผู้อื่นดับเพลิงกิเลส คือราคะโทสะโมหะเรียกว่าสอนธรรมเพื่อปรินิพานายยสอนให้ผู้อื่นปรินิพานด้วยอันอัตตกถานหน้า105่จึงบอกว่าโพเทตายะนะพุทโธโสภควาแล้วก็บอกว่าโพทายะเป็นต้นเนี่ยก็คือพระองค์เนี่ยตรัสรู้ซึ่งสัจจะทั้งสี่ด้วยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็ยังสอนให้ผู้อื่น ตรัสรู้สจัจจะสี่ด้วยทันโตพระองค์หมดพยศคือฝึกสําเร็จแล้วพระองค์ก็ยังสอนทำเพื่อให้ผู้อื่นได้รับการฝึกแล้วก็ผู้อื่นฝึกสําเร็จตามด้วยสันโตเพราะพระองค์สงบดับกองกิเลสทั้งหมดแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อสงบระงับดับกองกิเลสด้วยสี่ตินโนข้ามโอคะข้า ม, มกามโมคะภโวคะทิโขคะวิโชคะแล้วก็ตรนายาแสดงธรรมเพื่อให้คนอื่นข้ามตามได้ด้วย ห้าป ร, ปรินิพุโตก็คือพระองค์ดับกิเลสแล้วด้วยสัุปาทิเสสนิพานพระองค์ก็แสดงธรรมเพื่อให้สัตว์เหล่าอื่นได้รับสัพปาทิเสสนิพานดับอวิชชาดับตัณหาได้เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะมันก็เลยแสดงธรรมเพื่อปรินิพานด้วยมั้นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติจนสําเร็จเนี่ยนะกําจัดกา ม, มาสวะในขันห้ากําจัดอุปาทานในขันห้า มีญาณที่เห็นพระนิพพานมีข้อปฏิบัติคืออริยมรตมีมรตผลที่บรรลุอย่างเลิศผ้าอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะบูชาเลื่อมใสในพระตถาคตอย่างยิ่งว่าพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็ยังแสดงทำให้ผู้อื่นคือคือผู้ที่ปฏิบัตินั่นแหละตรัสรู้ตามด้วย พระองค์ฝึกแล้วก็ยังสอนให้ผู้อื่นฝึกตามด้วยพระองค์สงบประงับดับกองกิเลสแล้วก็ยังแสดงให้ผู้อื่นสงบประงับดับกองกิเลสด้วยพระองค์ข้ามกาโมฆะพวฆะทิถุฆะวิชโชฆะแล้วก็ยังสอนให้ผู้อื่นข้ามตามไปด้วยพระองค์ปรินิพานเนี่ยนะด้วยสัพปาทิเศส น, นิพา น, านก็ยังแสดงให้ผู้อื่นได้ปรินิพานตามไปด้วยเนี่ยนะในข้อ403เนี่ยนะ สัจการนิครนยังไงคนโม้มันก็คือคนโมอยู่เดียนนไม่เลิกโมหรอกนะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วสัจการนิครนก็ทูลว่าข้าพเจ้านั่นเที่ยวพระโคดมเป็นคนคอยกําจัดคุณเนี่ยนะก็คือเหมือนกระดาษตัวเองไงแต่กระดาษประชดบอกข้าพเจ้านี่แหละเป็นคนคอยกําจัดคุณข้าพเจ้าเป็นคนขนองวาจาเพราะได้สําคัญถ้อยคําของพระโคดม ตัวสำคัญว่าตัวนี่อาจจะโตเถียงด้วยถ้อยคาของตัวได้แม่ประเมินพระพุทธเจ้าผิดประเมินผิดไปเยอะเนี่ยนะแมมคิดตอนแรกมันได้คิดเลยแต่ขนาดนี้นะแมมประเมินพระพุทธเจ้าพลาดเยอะเลยนึกว่าตัวเองจะเก่ง แม้เปรียบเหมือนอะไรเขาอุปมาเนี่ยนะว่าบุรุษมาปะทะช้างรับมันเข้าก็ดีเจอกองไฟใหญ่อันลุกโชนก็ดีกระทบงูที่มีพิษร้ายก็ดียังพอมีทางเอาตัวรอดได้บางแต่ว่ามาเจอพระสมณโคดมเขา้าเอาตัวไม่รอดเลยเนี่ยนะ ข้าพเจ้านั่นเที่ยวเป็นคนคอยกําจัดคุณข้าพเจ้าเป็นคนขนองวาจาเพราะสําคัญว่าถ้อยคําของพระสมณะโคดมเนี่ยตัวเองสามารถที่จะโต้เถียงพระสมณะโคดมได้น่นะนะอัตตะถาท่านอธิบายในหน้าหนึ่งร้อยห้าล่างๆบอกว่านิ่คนเนี่ยนะถึงจะยกอุปมาสามข้อไม่ได้ชมพระพุทธเจ้าอะไรหรอกชมใครชมตัวเองยกมาชมตัวเองทั้งนั้นแหละ เหมือนอย่างว่าพระราชาเนี่ยนะพระราชาทั้งหลายเนี่ยเวลาที่ปราบข่าศึกบางพวกลงได้เนี่ยแล้วก็พอพอฆ่าข่าศึกเสร็จแล้วใช่ไหมมานั่งชมข่าศึกชมข่าศึกเนี่ยชมชมชมข่าศึกจริงๆหรือเปล่าเช่นแม้ข้าศึกคนนั้นนี่มันกล้ามากเลยในชะ่ไถ้าชมมาสมมติถ้าเราด่วนปืนกับฝ่ายหนึ่งชนะไอ้คนนั้นยิ่งยิงปืนแม่นมากถ้าชมไม่นั้นยิ่งปืนแม่นเท่าไหร่นะฉันแม่นกว่าเพราะฉันฆ่ามันได้ไงนะ เป็นต้นเนี่นะโอ้ไอ้คนนั้นนะ่ารบเก่งจังเลยเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้เนี่ยนะแต่ว่าตัวเองฆ่าเขาเสร็จไปแล้วใช่ไหมถ้าชมไอ้สิ่งคนที่ที่ตัวเองอ่าที่ตัวเองชนะมาเท่าใดาปแปล ว, ว่าฉันเนี่ยพิเศษเหนือพวกนั้นอีกนะนะก็เรียกว่าเป็นการชมแบบระดับอะไรนะเป็นคําชมระดับสูงก็เรียกว่าชมคนอื่นแต่หมายถึงการชมตัวเองนะนะมันเป็นแค่เรียกว่าเป็นกโลบายอีกวิธีหนึ่งกันนะอย่างอ่าวิธีที่จะด่าคนอื่นวิธีหนึ่งเลยก็คือวิด่าตัวเอง ไอการด่าตัวเองบางทีแปลว่าด่าคนอื่นอยู่นะหมามันชั้นเนี่ยนะชั้นทําชั่วขนาดนี้ชั้นยังเลวขนาดนี้แนหะที่จริงไอคนนั้นมันทําชั่วมากกว่าว่าแปลว่าด่าคนนะั้นแกเลวจริงๆเลยนะขนาดชั้นทําชั่วเล็กน้อยชั้นยังถือว่ามันเลวเหลือเกินไอแกทําชั่วขนาดนี้มันจะเลวขนาดไหนเพราะฉะนั้นก็มีวิธีกันได้ว่าอะไรนะ คำพูดที่เรียกว่าอุปจาระชมคนอื่นแต่หมายถึงตนชมตนแต่หมายถึงชมคนอื่นแบบนี้ก็มีเนี่ยนะด่าตัวเองแต่หมายถึงด่าคนอื่นหรือด่าคนอื่นแต่หมายถึงด่าตัวเองก็มีพูดเหตุหมายถึงผลพูดผลหมายถึงเหตุเนี่ยนะ่เรียกว่าเล่ น, นเรียนในการเล่นเล้นเนี่ยมีเยอะมากเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เลยตอนสุดท้ายเขาก็ยอมรับว่าอืมเก่งจริงนะ่นะ แต่ฉันนี่เก่งมากนะฉันกล้ามาโต้เทียงกับพระผู้แต่เจ้าไดนะ้ฉันก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ่ะนะสรุปแล้วก็ฉันก็ไม่ธรรมดานะจึงสามารถที่จะมายกถ้อยคำเพื่อจะคุยกับพระองค์คืออนะในหน้าหนึ่ง้ห้าสี่บรรทัดล่างเนี่ยนะบอกว่าสิยาหิโขโพโคตมหัติปะพินนางความว่าย่อมยกตนท่านั้นว่าเราเนี่ยเป็นคนกล้าเราเนี่ยเป็นบัณฑิตเราเนี่เป็นพระผูสูตร เป็นผู้ที่มีความต้องการโต้วาทะโตลัทธิจึงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเรานี่เปรียบเหมือนช้างรัพย์มันเราเนี่ยนะเออขอไปเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนช้างทรัพย์มันเหมือนกองไฟลุกโพลงเหมือนอสรพิษแผ่พังพานเรานี่นธรรมดาใชเป็นนักรบจริงๆเลยนะพอชมเชยตัวเองเสร็จก็นิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉัน ขอพระโคโดมพร้อมกับภิกษุสงฆ์จงรับพัฒนาหารของข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้ศจสตรนิครนทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับนิมนต์แล้วก็สั่งเจ้าลิชาวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชาวีทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้นิมนต์พระสมณะโคโดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นท่านจะนําอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าท่านจงเลือกหาแต่ ของที่ควรแก่พระสมณะโคดมคือเขานี่เป็นอาจารย์ใหญ่ลูกศิษย์เลี้ยงนะลูกศิษย์ห้าร้อยเนี่ยนะยกสำรับมาห้าร้อยไม่รู้จะฉันยังไงหวาดไว้นี่น่าต้องคาดพุงอ่ะนะล่วงราตรีนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าฤาวีก็ได้นําพัฒหารอาหารเนี่ยมาให้แก่สัจจการนิครนประมาณห้าร้อยหม้อไม่ใช่ว่าหม้อแบบหม้อเบอร์เบอร์สี่ห้าสินะไม่ใช่ขนาดนั้นรอกนะนะก็ธรรมดานั่นแหะยกปิ้นโตมาเนี่ยคนละหิ้วคนละหิ้วมานั่นแหละ สัจกะก็จัดของเคี้ยวของประณีตในอารามของตนเสร็จแล้วก็กราบทูลพัตตการแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นกาละที่สมควรจะเสด็จพุทธดำเนินบัดนี้พัตตาหารพร้อมเสร็จแล้วเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผ้าตามสมณวัดแล้วก็ทรงบาดจีวรพร้อมด้วยภิกษุทรงเสด็จพุทธดำเนินไปถึงอารามแห่งสัจกะแล้วก็ประทับนั่งณนะอาสนะที่ปูลาดไว้ภายในสัจกะนิครนังคาศ พระภิกษุทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนให้อินน้นำให้ยินดีห้ามพัดเสร็จแล้วพระองค์สัจจการนิครนครั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคจ้าเสวยเสร็จแล้วทรงนำพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วก็นั่งณนะอาสนะต่ำแห่งหนึ่งทูลว่าพระโคโดม ขอบุญขอผลขอบุญขอผลบุญในทานนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถอะนะจริงนะคือคำทุกคำที่เขาพูดเนี่ยมันมีแฝงหมดเลยอะ่ะอันนี้เขาแฝงว่าไงบุญก็ตามผลบุญก็ตามจงสำเร็จแก่พวกเจ้าลิชวีนยนะพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าคือเป็นคำพูดที่เปิดช่องให้พระองค์ต้องแก้ตลอดนะพระองค์แก้ว่า อคีเวสณะบุญและผลบุญในทา น, นี้อาศัยทักขินายะบุคคลที่ยังไม่หมดราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านเป็นของทายกทั้งหลายก็แปลว่าเจ้าลิชวีทั้งห้าร้อยเนี่ยเอาอาหารมาให้คนมีราคะโทสะโมหะสมควรจะได้บุญเท่าไหร่พวกเหล่านั้นก็ได้บุญเท่านั้นเลยเพราะอะไรเพราะเขาเอาอาหารเขาเอาอาหารมาให้สัจการนิคนเขาไม่ได้เอาอาหารมาให้พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้น สัจจการนิครนมีราคะโทสะโมหะเป็นนาบุญที่ไม่ดีเท่าใดอ่ะพวกนั้นก็ก็ได้เท่านั้นนะนะก็สมควรแก่อะไรสมควรแก่คุณธรรมของสัจจการนิครนแต่บุญและผลบุญที่อาศัยทักษินายาบุคคลที่หมดราคะโทสะโมหะแล้วคือพระพุทธเจ้าพร้อมกับภิกษุสงฆ์เนี่ยบุญอาเ น, นี้ยสำเร็จแก่สัจจการนิครนสัจจการนิครนเนี่ยเป็นนาบุญของพวกใครก่อน พวกบริวารพวกลูกศิษย์ของตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกลูกศิษย์มันได้บุญไม่มากเพราะทํากับนาบุญที่ไม่ดีจริงแต่สัจจการนิครนเราได้อาหารมาถวายพระพุทธเจ้าอันะพร้อมกับพิสูจน์สงสัจการนิครนก็เลยได้บุญมากเพราะอะไรเพราะถวายกับพระอรหันต์เนี่ยนะคือคนอื่นเนี่ยถวายกับคนมีกิเลสแต่สัจการนิครนถวายกับคนที่ไม่มีกิเลสเนี่ยนะในหน้าหนึ่งรหน้า107เนี่ยนะ ตังบทว่าตังทายการนางสุ ข, ขายะโหตุบุญนั้นจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เจ้าลิชวีนนนนี่คนนั้นเมื่อมอบทานนี้แก่เจ้าลิชวีจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบนรรปชิตไม่ควรให้ทานของตนเ ข, เ, ขเขาถือนะเขาเป็นคนถือแบบคิดอะไรยุ่มๆมีมี ม, ม, ม, มากเลยแหละบอกเฮ้ยเราก็เป็นนักบวชอยู่แล้วท่านพวกนั้นก็ทําบุญกั น, นไปเนี่ยนะนะลำดับนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าบุญของเจ้าลิชวีเนี่ยได้ทําแก่พวกแก่สัจจกานิครณ พวกพวกเจ้าลิชวีไม่ได้ตั้งใจมาถวายพระพุทธเจ้าส่วนสัจจการนิครนตั้งใจถวายทานแด่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงเนื้อความนี้คือพระองค์เนี่ยมอบทักษิณาที่เขาถวายแก่ตนแก่นิครนเพื่อรักษาน้ําใจทักษินานั้นน่ะจะเป็นบุญวาสนาต่อไปในอนาคตด้วยประการชนิดเนี่ยนะเพราะตอนหลังเนี่ยนะถัดจากนั้นไปพสอสประมาณสองสร้อเศษเศษเขาก็เป็นพระอรหรันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นบุญวาสนา